มันอันนี้คือคือพยายามที่เราต้องอค่อยๆปรับความรู้ความเข้าใจให้ดีถ้าเราปรับความรู้ความเข้าใจตรงนี้ดีเรียกอะไรรู้ไหมอยองเขาเรียกว่าถึงสารณคมเขาว่ากันนิยามของว่าพุทธังสารนังคัจฉามิเนี่ย น, นะพุทธังก็คือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อริยสัจโดยชอบโดยถูกต้องโดยพระองค์เองเพราะความที่พระองค์สร้างบารมีมาม า, มากจนได้ตรัสรู้ตรัสรู้แล้วสอนให้ผู้อื่น ตรัสรู้ด้วยนะนั่นแหละเรียกว่าพระพุทธเจ้าสารนังเนี่ยแปลว่าขอเพ่งพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้ามอบกายสวายชีวิตนี้ให้แก่พระพุทธเจ้านี่ความหมายของคาว่าสารณะคัดฉามิคัดฉะเนี่ยนะคัดฉะคัดฉะนี่แปลว่าถึงหรือแปลว่ารู้เห็นเข้าใจตามพิจารณาตาม หลักๆทางภาษาบาลีเขามีอยู่คาธาตุเหล่าใดที่มีความหมายว่าไปธาตุเหล่านั้นมีความหมายว่ารู้ด้วยนะวยากาณเขาว่างั้นก็คือแปลว่า้าถึงพระพุทธเจ้าคำว่าถึงแปลว่ารอบรู้ในเรื่องของพระพุทธเจ้ารอบรู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน เข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนขอถึงสิ่งที่พระพุทธขอถึงพระพุทธเจ้าผู้มีความรู้ความเห็นอย่างนั้นแหละว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าเป็นผู้กําจัดภัยอันตรายให้ทั้งหมดหรือที่ใช้คำว่ามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าปั้นพื้นฐานของคนที่พุทธังสารนังคัจฉามินั้นอ่ะเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของ พระพุทธเจ้าสูงมากเขาจึงบอกว่าผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะพระอินท์ท้าวสักกะกล่าวว่าพระโมฆะท่านพระมหาโมฆคลานะผู้เจริญการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนี้ดีนักแลการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนี้ดีนักแล เพราะว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะชนเหล่านั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เมื่อเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์จะดีกว่าเทวดาเหล่าอื่นในฐานะสิบประการนะดีกว่าเทวดา ท, วทั่วไปที่ไม่มีสารณะสิบประการสิบประการมีอะไรบ้างหนึ่งนะรูป หมายความว่าอายุก็ยืนกว่าเทวดาทั่วไปผิวพรรณก็งามกว่าเทวดาทั่วๆ่วไปวันณนก็สูงกว่าเทวดาทั่วไปความสุขมากกว่าเทวดาทั่วไปเนี่ยนะกําลังมากกว่าเทวดาทั่วไปและอธิปไตยคืออํานาจยิ่งใหญ่กว่าเทวดาทั่วไปรูปก็สวยกว่าคนอื่นเสียงก็เพราะกว่าคนอื่นนะกลิ่นสัมผัสทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างจะดีกว่าคนอื่นทั้งหมดอันนี้คําของพระอินทร์ได้กล่าวเอาไว้ใน อในพระสูตรโมคลานะสังยุตเนี่ยนะมันถ้าหากว่าเราค่อยๆทําความเข้าใจให้ดีๆเนี่ยนะอะความรู้ความเข้าใจอันนี้แหละภาษาธรรมะใช้คําว่าซับอันนั้นตัวความเข้าใจนี้เป็นทรับเขาเรียกว่าอริยรัพย์อริยซัพบเนี่ยมีอยู่เจ็ดประการด้วยกันหนึ่งศรัทธาอริยรัพย์คือศรัทธาความสบายใจของเราอ่ะใจของเราน่ยเป็นทรัพย์ชนิดหนึ่งโลกนี้เขาแบ่งเป็นทรัพย์อยู่สองอย่าง ทรัพย์ทางกายกับทรัพย์ทางใจเรียกว่าโพวกรัพย์กับอริยทรัพย์โพวกรั์คืออะไรก็คือบ้านช่องห้องหอเลือกสวนไร่นาที่ทํามาหากินเข้าวของเครื่องใช้แก้วแหวนเงินทองบุตรภรยาข้าทาสกรรมกรเป็นต้นเนี่ยนะเสิ่งเหล่านี้เราเรียกกันว่าพวกรัพย์และอริยทรัพย์ล่ะนะโพวกรัพย์เป็นทรัพย์ภายนอกกายส่วนอริยทรัพย์เนี่ยเป็นทรัพย์ที่มีอยู่ในใจอริยทรัพย์เหล่านี้เรียกว่าทรัพย์อันประเสริฐ ซับที่อํานวยผลที่น่าปรารถนาให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรัพย์อันนั้นเรียกว่าอริยซัพย์ทรัพย์ที่ทําให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดก็สมพรามปรารถนาทรัพย์คือศรัทธาซัพย์คือศีลสิ่งเหล่านี้เป็นอริยซัพย์เป็นทรัพย์ภายในทรัพย์คือศรัทธารัพย์คือศีลรัพย์คือหิริโอตตะปะซั์คือสุตะทรัพย์คือจาระและก็ซัพย์คือปัญญา พุทธังสารณังคัจฉามิใครที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอย่างน้อยที่สุดเขามีทรัพย์อยู่สองข้อก่อนหนึ่งมีทรัพย์คือศรัทธาสองมีทรัพย์คือปัญญานะเพราะมีศรัทธานั่นแหละเขาจึงนับถือพระพุทธเจ้าเพราะเขามีปัญญานี่แหละเขาจึงนับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติคําหนึ่งเอขอ้อไปคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ อชื่อยาวที่สุดในโลกองนั้นแหะมีใครชื่อยาวเท่าพระพุทธเจ้าชื่ออะไรบ้างอารหังสัมมาสัมพุทโธ ว, วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูรนุตโรปริสธรรมสารติทั้งหมดนี้ชื่อพระพุทธเจ้าทั้งหมดชื่อโดยคุณสมบัติคือว่าชื่อตามคุณสมบัติชื่อตามความรู้ความสามารถชื่ออันดับแรกเลยก็คืออรหังถ้าอารหังอรหังนเนี่ยนะแปลได้หลายอย่างมากคือมีความหมายหลายอย่าง เช่นความหมายว่าไกลาจากกิเลสกรรมจับฆ่าศึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักควรแก่ปัจใจสี่แล้วก็ไม่มีความลับในการกระทําบาปอยู่ไกลคนเลวอยู่ใก ล, ล้กลต่อคนดีและคนที่ดีเขาจะไม่ทอดทิ้งพระองค์ะและพระองค์เนี่ยไม่มีบาปปักกรรมเป็นคนที่ไม่มีบาปไม่เปื้อนบาป เป็นคนที่ควรยกย่องสรรเสริญที่สุดถ้าจะชมใครสักคนหนึ่งในบรรดาคนที่ควรชมพระพุทธเจ้าน่าชมที่สุดถ้าจะไหว้ใครสักคนหนึ่งพระพุทธเจ้าน่าไหว้หน่ากราบที่สุดถ้าจะมีของฝากแก่ใครสักคนพระพุทธเจ้าคู่ควรแก่ของฝากที่สุดเนี่ยนะเพราะนั้นอรหังเนี่ยจึงมีความหมายว่าไกลจากคนชั่วแล้วก็อยู่ใกล้ต่อคนดี บอกว่าคนที่มีศรัท ธ, ธาศินสุตะจากขะปัญญาเป็นต้นเพราะนั้นคนที่จะนับถือพระพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องเป็นคนดีจึงแก่นับถือพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเอ่อคนที่มีทรัพย์เนี่ยนะมีทรัพ์ได้นับถือพระพุทธเจ้านั้นจึงถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาสภาพจิตถามว่าการถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสาระของเรื่องทั้งหมดออยู่ที่ไหนอยู่ที่ความคิดของเราที่รอบรู้ใน พระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วยอมรับพระพุทธเจ้าว่าพระองค์อดีจริงและเราเนี่ยขอดำเนินตามพระองค์ขอรู้ตามขอเห็นตามขอขอพินิจพิจารณาตามอันนี้คือว่าโดยใจก่อนนะแล้วต่อมาก็ด้วยวาจาขอพูดตามทีนี้ต่อไปด้วยกายก็คือขอทำตามทีนี้ถามว่าทำไมเราต้องทำไมเราต้องไปทำตามท่านอย่างนั้นเราเป็นตัวของตัวเองไม่ได้หรือ เราอยากจะทําอะไรอย่างที่เราอยากทําไม่ได้หรือทําไมเราต้องไปเป็นทาสพระพุทธเจ้าด้วยนะขอเป็นทาสข้าพเจ้าไม่ได้หรือขอเป็นทาสแก่ตัวเองได้ไหมขอรับใช้ตัวเองตลอดไปนะมาขอพักดีต่อตัวเองตลอดไปอย่างนั้นทําไมจะต้องมานับถือพระพุทธเจ้าด้วยเพราะเราก็เป็นคนน่ะนะในจํานวนคนทั้งหลายเราก็คนคนหนึ่งเราจะขอเชื่อตัวเองได้ไหมนะถ้าเชื่อความโกรธนะความโกรธจะสอนเราทําอะไรอ่ะ โกรธเลือเกินเนี่ยนะถ้าความโกรธปล่อยให้ความโกรธที่อยู่ยในใจเรามันแนะนําเลยนะทํำยังไงดีฆ่าซะเลยดีมั้งนะเนี่ยนะอ้าวถ้าเชื่อความโลภของตัวเองที่อยู่ในใจเอาความโลภตัวเองเป็นที่พึ่งเลยเอาไหมความโลภมันพาไปแต่ให้ดีถ้าเชื่อความโง่เขลางมงายของตัวเองแล้วนับถือความโง่อันั้นเป็นสรณะอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแลว้ว มีทุกอย่างลงแล้วทำฉันไหนที่สุดแห่งทุกเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นตัวเองมานานแล้วพูดภาษาธรรมะหน่อยบอกว่าเวียนว่ายตายเกิดมานานก็เพราะเชื่อเหลือเชื่อตัวเองนี่แหละเนี่ยบัตรนี้เนี่ยนะ เ, เขามีอยู่มาพระอรหันต์รูปหนึ่งท่านบอกว่าเมื่อก่อนนะจิตฉันเนี่ยรับใช้แต่เธอทำา น, นรับใช้จิตรับใช้ความคิดตัวเองความคิดมันบอกอะไรเอาหมดเลยเชื่อหมดบัตรนี้นะตั้งแต่วันนี้ไปฉันขอเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียว จะไม่เชื่อใจตัวเองแล้วขอเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ว่าไงก็อย่างนั้นแหละขอปฏิบัติตามขอพูดตามขอรู้ตามมาถามทําไมและพระธรรมที่พระองค์แสดงเป็นธรรมเครื่องนําออกจากทุกข์พราเชื่อตัวเองไม่ยิ่งยิ่งเชื่อมากยิ่งทุกมาก น, นะลองเชื่อพระพุทธเจ้าดูบางท่านก็บอกขอเชื่อพระพุทธเจ้าทั้งชาติดูสักชาติดูสิทาไมพ้นทุกชาติหน้าแล้วค่อยว่าใหม่เนี่นนะอะถามว่าทําไมเขาจึงบอกอย่างนั้น ก็เพราะชาติหน้าพระพุทธศาสนาก็แทบไม่มีแล้วอย่างนั้นนะมาเกิดผิดที่ก็ยากแล้วที่จะได้ศึกษาพระพุทธศาสนาเพราะเหลือน้อยเต็มที่เพราะฉะนั้นแบบต่อไปแนละได้เชื่อตัวเองเป็มที่เลยแหละวย่างนั้นนะมันก็สําคัญมากที่สุดก็คือการที่เราพยายามปรับความรู้ปรับความเข้าใจในเรื่องพระคุณของพระพุทธเจ้าปรับความรู้ปรับความเข้าใจในพระคุณของ พระธรรมและก็พระสงฆ์ทั้งหลายมันสารณะนั้นจึงถือว่าเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาแต่ตัวสารณะอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้อยู่ที่ความเข้าใจนะเข้าใจเท่าไหร่ทาได้เท่านั้นเข้าใจเท่าใดปฏิบัติได้เท่านั้นถ้าไม่เข้าใจเลยทําอะไรไม่ได้เลยพุทธศาสนานิยามของพุทธาก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าตรัสรู้อริยสัจนิยามของพุทธะเนี่ยแปลว่าวรู้รู้อริยสัจ แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพิเศษก็คือรู้อริยสัจแล้วสอนให้คนอื่นรู้อริยสัจตามด้วยก็เลยมีผู้บรรลุตามผู้บรรลุตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้เรียกว่าลูกของพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะตรัสรู้ตามพระองค์ผู้ใดตรัสรู้ตามพระองค์เห็นอริยสัจตามพระองค์พระองค์เรียกว่าเขาเป็นลูกของพระองค์แต่ถ้ายังไม่เห็นอริยสัจตามพระองค์ไม่บรรลุอย่างที่พระองค์พาบรรลุเนี่ยนะ พระองค์บอกว่ายังเป็นคนนอกอยู่แครกว่าอะไรนะยังไม่เข้าสู่อริยวงยังเป็นวงของปุถุชนอยู่ไม่ใช่อริยวงถ้าเห็นอริยสัจดังที่พระองค์ตรัสดังที่พระองค์บอกเขาเรียกว่าอริยวงเรียกว่าวงของพระอริธเจ้าวงนะเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าเป็นบุตรที่เกิดจากอกของพระพุทธเจ้าเกิดจากคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้ายังล่ะถ้ายังก็เรียกว่ายังเป็นคนนอกอยู่ถ้ายังเป็นคนนอก เขาบอกว่าการที่เข้าถึงพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้ามีอยู่คําหนึ่งบอกว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติทธรรมเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วหมายคือว่าถ้าผู้ใดปฏิบัติตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าไม่เกิดในนรกเปรตอสุรกายและเดรฉานไม่เกิดในถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดชาติชาติที่แปดเป็นต้นเนี่ยตัดพืชตัดเชื้อ ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ถึงรู้เห็นอริยสัจตามพระพุทธเจ้าไม่เกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกเป็นต้นเขบอกเอ๊ะแลเรารู้ได้ยังไงว่าเราจะตกนรกเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าตกนรกเฮ้ยไม่ตกรอกนรกไม่มีหลอก น, น, นะเก็เขาบอกว่าถ้าใครศึกษาเรื่องกรรมมาดีๆเนี่ยนะจะเข้าใจว่า คือคือไม่ไม่ต้องเอาอะไรมากบอกว่าคิดถึงที่ไหนนะใจเราคิดถึงที่ไหนเชื่อไหมตัวเราจะไปอยู่ที่นั่ น, นใจเราคิดถึงอะไรมากนะในที่สุดเราก็ไปไปอยู่แถวนั้นถ้าสมมติถ้าใจเราคิดถึงอะไรแล้วกายมันตายเราเกิดที่ไหนดีอ่ะเกิดที่ไหนดียโมยมถ้าใจคิดถึงสิ่งใดมากๆถ้าเกิดตายมันกายมันแตกสลายเนี่ยนะ ยมว่าเกิดที่ไหนดีเขามีเนื่อเรเรื่องเล่าให้ฟัง อ, อดีตชาติของพระส า, ารีบุตรพระโมคคัลลานะเขาบอกว่าเขาเป็นเศรษฐีใหญ่มากเขาก็เลยไปฝังทรัพย์สมัยก่อนเนี่ยนะเขาเขาไม่มีธนาคารไม่มีแบงค์เขาก็เลยไปฝากฝากอะไรไปขุดเอาไว้ทีนี้โอ้โหชีวิตทั้งชีวิตสแสวงหาเพื่อหาเงินมาถมเนี่ยนะหาเงินมาฝังมาเก็บไว้เนี่ยก็เลยตาย เรียกว่าตายตอนที่ใจเนี่ยคิดถึงทรัพย์เหล่านั้นเต็มที่เกิดที่ไหนบอกเกิดเป็นหนูเฝ้านั่นแหละนะไปเกิดเป็นหนูอยู่บริเวณดูแลทรัพย์อยู่นั่นแหละทีนี้ถามว่าแล้วก็อีกคนหนึ่งก็บอกไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดเป็นงูเฝ้าทรัพย์อีกคนหนึ่งไปเกิดเป็นหนูอีกเจ้าหนึ่งไปเกิดเป็นหนูอีกเจ้าหนึ่งไปเกิดเป็นงูเป็นต้นเนี่ยนะมันคิดถึงที่ไหนก็ไปเกิดที่นั่น น, นะพันถ้าเราคิดถึงบ้านมากๆถ้าตายตอนนั้นก็เป็นอะไรอยู่แถวบ้านนั่นแหละอันนั้นถ้าบุญนําเกิดนะเป็นผีบ้านผีเรือนอันนี้ถ้าบุญนะโอ้โหมีบุญมากนะไปเกิดเป็นผีบ้านผีเรือนเป็นเทวดาเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนดูแลลูกหลานนี่เรียกว่าคนมีบุญแต่ถ้าหมดบุญแหละถ้าไม่มีบุญแต่เกิดในบ้านนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นปลวก <c oughs> เป็นอะไรก็ได้อยู่แถวแถวบ้านนั่นแหละแม่เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหากว่าเขามาเป็นคนที่ ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆบอเอ้ยมากไปมั้งไม่จริงหรอกไม่เชื่อหรอกแต่เชื่อไหมว่าแหวกไปตรงไหนเห็นแต่สัตว์หมดเลยเข้ามาเลยตอนนี้ชักเชื่อแล้วชักเริมชักกลัวๆบ้างแล้วถ้ายิ่งแบบอะไรนะแวกตรงไหนก็มีแต่สัตว์หมดเลยอย่าอย่างแม้กระทั่งว่าเอางี้แล้วกัอุ้ยผมสวยจังเลยเนี่ยนะถ้าลองไม่สระผมไม่อะไรผมนะแวกตามเส้นผมยังมีตัวอะไรอยู่ในนั้นเลยเอาขาบอกว่าเอาสีหน้าของพวกเราอุ้ยหน้าหวานยิ้มแย้มแจ่มใสสวยเหลือเกินเนี่ยนะ เชื่อไหมถ้าขูดขูดแล้วเอากล้องจุลทรรศส่องไปนะมันมีตัวอะไรอยู่ในนั้นเต็ไมไปหมดเลยนะอย่าไปคิดว่ามาคนเดียวนะโอ้โหมีมาหมดเลยเกาะผมมาเต็มเกาะหน้ามาเต็มเกาะผิวมาเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์บอกว่าอะไรนะกลุ่มกิมมีชาติทั้งหลายที่พวกที่กินผมเร้ยว่าพวกที่อยู่ในผมอยู่ในเล็บอยู่ในฟันอยู่ในหนังอยู่ในตามตร่างกายเนี่ยนะเขาบอกว่าโดยที่สุดแม้กระทั่งบางตัวนี่อยู่ในดวงตา พระมีบางคนไข่บางคนมีพยาธอยู่ในดวงตามันก็อยู่ในลูกตาบางพวกอยู่ตามเส้นเลือดบางพวกอยู่ตามร่างกายอวัยวะต่างๆเนะนี่ยนะนั้นจิตทั้งนั้นแหละที่นําเกิดหน้าที่ต่างๆมันเราเราเอาอะไรรับรองความปลอดภัยในการเกิดในชาติใหม่อันนะถ้าไม่ตายกันแล้วไปแต่ก็ น, นี้เขาก็สวดงานไม่ใช่หรือยองนะังไง มันก็ได้ยินนะตอนนี้ก็งานใช่ไหมก็แปลว่าโลกอันชารานําไปไม่ยั่งยืนโลกจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปก็แปลว่าทุกคนเนี่ยนะอันชรานําไปไม่ยั่งยืนแก่ทุกวันทุกวันในที่สุดก็ตายโลกจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไ ป, งงงง ป, งไปในที่สุดเนี่ยนะเมือม่อเมื่อเช้าเนี่ยนั่งยืนคุยกับโยมนิดนึงคุยไปคุยมาก็บอกว่าเนี่ยตอนที่ผมมามาที่นี่ใหม่ๆนะตอนนั้นเนี่ยพระไตรปิฎกไม่ครบชุดหรอก ก็มีโยมเข้าเอาพระเตยไปดอกมาถวายโยมกิมย้อนอย่างนั้นตอนนี้โยมกิมย้อนอยู่ไหนแล้วบอกตายไปแล้วโอ้โหเนี่ยตาพี่อีกแล้วเหรออฟังแต่ข่าวประเภทนี้บ่อยๆว่าชักเชื่อเอ้เราก็จะไปเหมือนกันนะเนี่ยก็เลยตอนนี้ก็เรีย บ, เ ร, ยบเริยบเก็บบุญใหญ่เลยกลัวจะไม่มีบุญไปนําเกิดชาติหน้านะเพิ่งได้เพิ่งได้ข่าวสักเมื่อเช้านี่แหละว่าโยมกิมย้อนตายแล้วเพิ่งรู้ว่างา น, นโอ้โหนี่ค่อยๆทยอยไปเรื่อยๆจริงๆเลยนะเราก็ไม่เหลือนะเนี่ย โลกจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปก็ดีใจมากก่อนตูมอยู่ตรงนั้นนะยมกินเยอะไงฮะพระไตรปิฎกมาให้ชุดหนึ่งนะได้อ่านในตอนนั้นเพราะอถ้าคนที่ไม่มีบุญเนี่ยนะมันยากเหมือนกันนะไปเกิดชาติหน้าถ้ามาเกิดเป็นยุงและชีวิตชาติหน้าใครเรารับใครรับผิดชอบเราเอาแต่เกิดเป็นยุงดังหึงเลยเนะี่ยเมื่อวานลงรถมาปับหูยุงมันดังขนาดนี้เลยนะร้องสนั่นไปหมดบอกว่าไปที่โน่นที่เขาเนะี่ยเขาของเขาดงยาง เขามีอยู่ที่หนึ่งเขาเรียกว่าติดตั้งเครื่องสูบยุงว่าเอาไปเลี้ยงนกยุงไม่เป็นกระสอบอะยุงอะนะมันมากขนาดนั้น น, นี่เฉพาะที่เดียวนะแล้วพื้นที่อื่นๆืนอีกถ้าเราไปเกิดเป็นยุงเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมไปเกิดเป็นยุงบอกมีอะไรบ้างที่เป็นไปไม่ได้ใจเกาะเกี่ยวกับสิ่งใดเป็นไปได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าอต้องศึกษาให้ละเอียดนิดหนึ่งแล้วจะเข้าใจนะศึกษาจนจนพอแล้วจะเข้าใจว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หลอกลวงอะไรหรอกนะนะศึกษาเรื่องจิตตานิยามที่เรียกว่าจิตตานิยามศึกษาเรื่องกรรมมานิยามเรื่องความยึดติดของจิตความเกี่ยวข้องของจิตกระแสของความคิดที่มันไหลไปแล้วกรรมตัวใดเนี่ยมันเป็นตัวเป็นปัจจัยให้แก่จิตตามนั้นเนี่ยนะจริงถ้าใครที่ศึกษาพิธามเยอะๆหรือว่าฟังที่พระสวดงานศพเข้าใจเนี่ยจะมองเห็นว่าเออชีวิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ เช่นเหตุปัจโย و, อาร ม, มณปัจโย و, อธิปติปัจโจย و, อนันตปัจโย و, สมานันตปัจโย و. เป็นเรื่องความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดเลยที่อยู่ในเนี่ยนะกระแสของความคิดกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายใจกระแสของกรรมและผลผลของกรรมกระแสของเหตุกระแสของปัจจัยกระแสของอารมณ์กระแสของความคิดที่มันไหล สืบเนื่องกันไปโดยกรรมโดยอุปนิสัยโดยอัธยาศัยเป็นต้นก็จะคือคือความจริงของชีวิตที่มันไหลไปสืบเนื่องไปเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเลยหรือว่าถ้าเราไม่มีบุญพอเนี่ยนะมันก็อย่างว่าตอนขามาเราก็มาคนเดียวมาแฝดเราก็ไม่อยากได้กันนะยิ่งแฝดรักกันมากหัวติดกันมาเลยเอาหมเขาไม่เอาหรอกบอกโอ้ไปด้วยกันนะมาหัวติดกันมาเลยก็ไม่เอาท้องติดกันมาเลยก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นมาคนเดียวแล้วก็ไป คนเดียวเนี่ยนะขนาดบอกอินเดียนี่เคร่งาศาสนานักเคร่งนักเคร่งหนาะแม่ผัวตายเมียตายตามขนาดนั้นบ้านไม่ไม่ก็ยังใหญ่โตเนี่ยนะมัน ก, ก็ก็ต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็ต่างอยู่เพราะั้นกรรมสัตว์ทั้งหลายนี่ย่อมเป็นโลกนี่ย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเหล่านั้นอยู่ที่ไหนกายวาจาและใจเพราะั้นการที่เรามีสาระดีอย่างไรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะบอกวิธีการแก้ปัญหาให้เราทั้งหมดพระพุทธเจ้าช่วยเราได้ทั้งหมดเลยแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะ เราต้องเข้าใจว่าพระ อ, องค์จะช่วยเราตรงไหนบ้างช่วยเรื่องอะไรบ้างแล้วเราจะโอนไปหาพระพุทธเจ้าได้อย่างไรอันนี้คือฝากเป็นการบ้านเนี่ยนะว่าอันนี้คือในฐานะเราเป็นพุทธศาสนิกชนไม่อย่างนั้นเนี่ยเราเสื่อมจากพระพุทธเจ้านานแล้วไม่งั้นเนี่ยเชื่อไหมเราจะไหว้แต่ไหว้แต่เหล็กทาสีทองทองเหลืองทาสีทองก็จะไหวยอยู่เท่านั้นจริงๆไหว้สีโอสวยดีกราบ เห็นไหมบอกกราบรายการพระพุทธเจ้าว่างั้นเอ๊ะพระพุทธเจ้าความหมายของพรุทธเจ้าคืออะไรกันแน่อันนี้คือเรียกว่ารูปเหมือนรูปเปรียบเท่านั้นเองให้เราจะได้ระลึกถึงพระพุทธคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องกราบเรื่องไหว้พระพระพุทธรูปนะเมาก็กราบแต่หมายคือว่าไอความรู้ความเข้าใจนี่เป็นตัวที่สําคัญที่สุดเพราะปัญญาจึงเป็นอริยทรัพย์เนี่ยนะปัญญาจึงเป็นอริยทรัพย์เรียกว่าสแสวงหาปัญญา สัตว์ทั้งหลายนเนี่ยนะที่ดับทุกข์ได้เนี่ยนะเรียกว่าสัตว์ข้ามอนุปก้ามสังสารวัตเนี่ยข้ามได้ด้วยอะไรบอกด้วยปัญญาข้ามการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยอนุภาพของปัญญาเพราะปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เวียนพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดปัญญาตัวนั้นอ่ะแปลแปลบาลีเป็นบาลีแปลบาลีเป็นบาลีปัญญาแปลว่าสัมมาทิฐิ สัมมาทิฏฐิแปลว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงแปลว่าปัญญินีสีปัญญีสีแปลว่าปัญญาภะะปัญญาภะระแปลว่าวิมังสาทิปติเรนนะหรือวิมังสิทธิบาทเป็นต้นแปลไปแปลมาก็คือแปลว่าความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องมัชฌิมาปมาฏิปทาขึ้นต้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องมัชแปดเนี่ยขึ้นตรงขึ้นตรงที่ความเข้าใจที่ถูกต้อง เมื่อเข้าใจถูกต้องรู้ถูกต้องเห็นถูกต้องคิดตามใครควรตามอย่างถูกต้องเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคนที่เข้าใจสิ่งนั้นอย่างถูกต้องใครควรตามอย่างถูกต้องพูดก็จะถูกต้องด้วยเป็นสัมมาวาจาถ้าคนที่เข้าใจรู้เห็นอย่างถูกต้องคิดอย่างถูกต้องพูดถูกต้องเขาก็ทําถูกต้องเป็นสัมมากรรมตะถ้า ที่ข้อข้อที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเช่นความเห็นถูกต้องความคิดถูกต้องคําพูดถูกต้องสิ่งที่ทําถูกต้องอาชีพก็ถูกต้องนี้ต่อไปความเพียรความพยายามของเขาก็ไม่ไร้ผลเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่เผลอเรียกว่าสติแล้วไม่ฟุง้งซ่านเรียกว่าสมาธิเนี่ยนะสมาธิคือความไม่ฟุง้งซ่านมันก็การปฏิบัติอริยมัอันประกอบไปด้วยองค์แปดก็เป็น เป็นไปอย่างนี้แหลทีนี้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเมื่อบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วเนี่ยนะคืออะไรเจริญมรรคแปดเพื่อกําหนดรู้ทุก์เพื่อละสมุ ท, ทยัยเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งความหมายของคําว่ามรรคเนี่ยนะมรรคมรรคเป็นภาษาบาลีมรรคไม่ใช่ภาษาอีสานนะถ้าปฏิบัติตามมรรคภาษาอีสานเนี่ยสบายมากมรรคแปลว่าอะไร แปลว่าชอบเนี่ยนะภาษาอิสานเนี่ยมักเนี่ยแปลว่าชอบมักหลายอะไงี้ย น, นะแปลว่าชอบมากอะไงี้ยแต่ถ้ามักภาษาบาลีนี่แปลว่าเเครื่องสแสวงหาพระนิพพานมัคคะมัคโคเนี่ยนะเครื่องที่สแสวงหาพระนิพพานหมายคาอว่าใครก็ตามถ้าต้องการบรรลุนิพพานต้องหามักให้เจอถ้าไม่มีอริยมักเนี่ยจะบรรลุนิพพานไม่ได้หรือเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ตรัสรู้พระนิพพานมันถ้ า, ถ, าถ้าไม่ใช่นิพพานนะ ย ม, ยมหมดยมไม่เกลียดทุกข์ให้ตายยมก็ไม่พ้นทุกข์นะเนี่ยอันนี้เล่าค่ อ, อะไรนะใน น, น, นีโอ้สาบาดมานานแล้วก็เล่าให้ฟังตรงๆเลยถึงโยมเกลียดทุกข์ให้ตายยังไงก็ช่างเถอะถ้ายมไม่รู้จักนิพพานยังไงก็ไม่พ้นทุกข์นะแต่ถามว่านิพพานเนี่ยถ้าเหมือนอย่างที่เราสมมติท่านิพพานในความคิดของเรานะใครที่คิดนิพพานถูกต้องได้คนนั้นอะ่ะคือพระอริยะเพราะฉะนั้นอย่างที่โยมได้ยินคําว่านิพพานนิพพานนิพพานเนี่ยเนี่ยได้ยินแต่ชื่อ เราไม่เข้าใจจริงๆหรอกถ้าเข้าใจจริงวันไหนวันที่เป็นพระโสดาบันวันไหนเป็นพระโสดาบันเห็นอริยสัจวันนั้นแหละที่วันที่เราเห็นเข้าใจพระนิพพานที่เหลือนั่งฝันกันอนะคาดว่าเข้ามาเนี่ยยังนึกถึงปีก่อนนูน่นอะนะโยมที่ที่เขานิมนต์ไปเทศวัดสแกงามให้เราเข้าไปโอ้โวัดสแกงามนะเราจินตนาการฝันน่าใหญ่เลย สังวาสแกงงามนะเขาพูดนะท่านไปเทศอย่างนั้นที่ตรงนี้มีศาลาให้มีอะไรเราก็สร้างศาลาในความคิดสร้างวัดในความคิดของเราเชื่อไว้ไปถึงไม่เหมือนอย่างที่คิดไม่แต่เรื่องเดียวเนี่ยนะบอกอว่าวัดแกงงามมันใหญ่โตขนาดนี้ก็ยังไม่เหมือนอย่างที่เราคิดเลยนะแล้วไปไปบรรยายธรรมที่อื่นๆก็เหมือนกันบอกโอ้ท่านนะอะคนนั้นเขาจะมาพบท่านเขาชื่อยอย่างนั้นเขาทํามานั่นมาเราก็สร้างหน้าตาในใจเราเสร็จแล้วเชื่อไห ม, ไมเห็นหน้าไมหมเหมือนอย่างที่เราคิดเลยเมื่อคืนโยมมาเล่าให้ฟัง บอกนเนี้ยเนี่ยฟังเสียงท่าน้ะนะตัวเล็กคิ้วขาวอายุยี่สิบกว่าบอกตรงข้ามหมดเลย <c oughs> มันไม่เหมือนหรอกมันอะไรก็ตามเขาบอกว่าจริงความจริงกับความเชื่อบางทีก็ไม่ไม่เหมือนกันแล้วถามว่าจริงก็ไม่เหมือความจริงกับความเชื่อมันคนละอย่างแล้วอะไรเป็นมาตรฐานเนี่ยแหละคือคือนี่แหล ะ, หละที่เราต้องมีสาระไงถ้าไม่อย่างงั้นเนี่ยโหยุ่งเรื่อหมดเลยนะ ยิ่งคนที่ศึกษาพระาศาสนาในยุคนี้ด้วยเนี่ยโอ้จะสับสนมากเลยชีวิตเต็มไปด้วยความสับสนว่าโอ้ยเขาเชื่อมั่นตัวเองมากเชื่อมากเชื่อเพราะว่าคิดว่าตัวเองเชื่อมั่นใจไหมมั่นใจจริงหรือเนี่ยนะเอาเอาจิงเขาไม่มั่นใจเวลาคนอื่นทวงก็บอกมั่นใจพอคนอื่นเขาเลิกทวงไอ้ชักไม่แน่ใจเนี่ยนะมันก็อยู่อย่างนั้นละเพราะฉะนั้นต้องพยายามทบทวนให้ดีทีนี้เอในฐานะที่เราเนี่ยมี พระัตนะตรายเป็นสารณะนะเรามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นเป็นใครท่านรู้อะไรท่านตรัสรู้อะไรท่านสอนอะไรเขามานี่ตั้งประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าไว้ประมาณสี่ประเด็นจริงไม่ได้คิดเองหรอกอัตถกถาท่านภาคิดเขาบอกว่าเขามีอยู่เมืองหนึ่งเรียกว่าเมืองไพศาลีกษัตริย์เมื่อเขาเขาปกครองคล้ายๆสมบูรณ์อานเอ่าก เขาปกครองคล้ายๆประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยในเวทวงของเจ้าคือหมายถึงว่าเขามีเจ้าอยู่เชื้อเจ้าเนี่ยเนะชื้อวงเชื้อพระราชวงศ์เนี่ยเจ็ดพันกว่าวงก็แล้วเจ็ดพันกว่าตระกูลพวกตระกูลกลุ่มเนี่ยมาปกครองปกครองคล้ายๆกับรัฐสภาแต่สภาเจ้าของเรามันสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมแต่ของเขามีสภาแต่สภาเจ้าคือสภากษัตริย์วันนั้นเนี่ยเขาก็จะพวกนี้จะมาปกครองบ้านเมือง ทีนี้กลุ่มนี้เนี่ยนะเขาเขาเวลาที่เขาประชุมบ้านเมืองเสร็จเขาจะมานั่งสนทนาธรรมกัน น, น, นะนะกษัตริย์เมืองภัยาลีเมืองภัยาลีเนี่ยอว่าครั้งคร้งนี้ว่าจะไปเมื่อเมื่อเดือนพฤศจิกาว่าจะไปให้ถึงเมืองภัยาลีอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ไปแต่เมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีก่อนโน้น่ะได้ไปที่เมืองภยัยาลี กษัตริย์เมืองนี้เนี่ยเขาเขาหลังจากที่เขาประชุมรัฐสภาเขาเสร็จเขาจะมานั่งสนทนาเรื่องอะไรเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องพระพุทธเจ้าเขาจะแบ่งเรื่องเป็นอย่างไงว่าเรื่องว่าท่านทําอะไรมาท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านพูดอะไรท่านคิดอะไรท่านทําอะไรท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านใช้เวลาทำนานแค่ไหนอย่างไรอันนี้นชุดที่หนึ่งที่เขามาคุยกันแต่เราประชุมกันเป็นเรื่องเวลาเลยแหละกลุ่มที่หนึ่งที่สอง พระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติเกี่ยวกับร่างกายเป็นยังไงบ้างร่างกายของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงบ้างแล้วทำเหล่าใดมาตกแต่งให้มีร่างกายเช่นนั้นมองเหตุกับมองผลมองผลกับมองเหตุมองผลที่เป็นอยู่แล้วสาวไปหาเหตุนึกถึงเหตุแล้วมองมาหาผลคือความเป็นพระพุทธเจ้าท่านทำบุญอะไรมาเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นบุคคลที่ไม่ปิดบังตัวเองพระองค์บอกว่าดวงตาของพระองค์ที่เป็นอย่างนั้น่ะพระองค์ทําอะไรมาจึงได้ตาคู่นี้มากรรมกลุ่มไหนให้ตาแบบนี้กรรมกลุ่มไหนให้มีเช่นว่าเช่นมีคนที่เกิดที่พรนณุนาผกอ่ะนะขนที่งอกอหรือคิ้วหรือวงหน้ากรอบหน้าคางจมูกต้นคอศีรษะเนี่ยนะมือแขนรูปร่างแต่ละส่วนนี่ทากรรมอะไรมาบอกหมดเลย ฝ you know so so ่ามือทําไมเป็นอย่างนี้ฝ่าเท้าทําไมเป็นอย่างนี้หลังทําไมเป็นอย่างนี้ผิวทําไมเป็นอย่างเนี้ยไปทํากรรมอะไรมาจึงได้มีรูปรูปร่างกายที่เป็นแบบนี้บอกหมดเลยอันนี้เกี่ยวกับร่างกายสอนเกี่ยวกับเรื่องจิตใจท่านคิดอะไรท่านคิดอะไรบ้างตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านจะเล่าให้ฟังทั้งหมดและท่านตรัสรู้อะไรตรัสรู้ว่าอย่างไรก็จะบอกให้หมดแล้วท่านสอนว่าอย่างไรเนี่ยนะ ก็จะมองก็มองก็ปุพพจริยาคุณเกี่ยวกับเรื่องอดีตของพระพุทธเจ้าพระสรีระคุณเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของพระพุทธเจ้าและพระพุทธคุณทั้งหลายคือคุณธรรมที่อยู่ในใจมีคุณธรรมเช่นใดเขาจึงเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าทําไมตอนที่ไม่ไปนั่งที่โคนต้นโพก่อนหน้านั้นทําไมไม่เรียกพระพุทธเจ้าทําไมจึงเรียกว่าเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์พอไปนั่งต้นโพเนี่ยท่านตรัสรู้อะไรท่านตรัสรู้ว่าอย่างไรเข้ามาไปเนี่ยนะไปบางที เช้าตีสี่ลุกตีห้าเนี่ยไปยแล้วไปที่ตรงนั้นแนหะไปที่ที่ท่านตัดสรุเนี่ยนะเพอยากรู้จริงๆกับท่านตัดสรุอะไรไปรนะมาณนัแต่ก็อ่านไปเยอะแล้วนะรวบรวมหนังสือเป็นเล่มโตๆเลยแหละเอาไปไข้านั่งดูไปเสร็จแล้วก็กลับมาฉันฉันเสร็จไปใหม่สายก็ไปแล้วก็ได้เวลาเพลแล้วกลับมาฉันเพนฉันเพนเสร็จก็ไปใหม่แล้วกลับมาส่งน้ําส่งน้ําเสร็จไต่ใหม่อีกรอบหนึ่งวันละสี่รอบ เราก็ไปเลือกที่พักใกล้ๆวัดแต่ใกล้ๆที่ตาสรุ้นหน่อยเราจะได้ไปได้หลายๆครั้งเนี่ยนะก็เดินไปอยากรู้จริงๆแล้วก็ไปอย่างเงี้ยไปเกินยี่สิบสามสิบครั้งแล้ะแต่ถามว่าตอนนี้เข้าใจหรือยังบอกก็ยังก็ยังศึกษาอยู่ว่างั้นเธอก็ในฐานะนักศึกษาด้วยกันว่างั้นนักศึกษาคําสอนด้วยกันเพราะหลายท่านเขาอ่านพระไตรปิฎกอยู่ก็อยากให้ไปค่อยๆคิดต่อไปอย่าเพิ่งสรุปคนที่สรุปได้จริงคือพระอริยเจ้าหรือ ถ้ารหันไปแล้วนั่นแหะจึงสรุปได้จริงๆถ้ายังไม่ใช่ผ้ารหันยังเป็นนักศึกษาหมดศึกษานี่ยเรียกว่าศึกขาศึกขาเสขาเนี่ยพระเสขาก็คือพระนักศึกษาทั้งหลายแต่ศึกษาในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้แค่อ่านขีดเขียนนะไม่ใช่ศึกษาหมายว่ากระทําตัวเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าเรียกว่าศึกษาถ้าเป็นผ้ารหันเขาเรียกว่าอะเสขะแปลว่าศึกษาจบแล้ว เสขาธรรมมาเสขาธรรมาเนวะเสขานาเสขาธรรมาเสขาธรรมากำลังศึกษาอธิศีน์อธิจิตอธิปัญญาปฏิบัติเพื่อทำบรรลุโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหัตถ้ายังได้อรหัตตะมักอยู่ยังยงกำลังศึกษาอยู่ถ้าเป็นพท่ารหัตไปแล้วอรหัตตผลไปแล้วเรียกว่าสำเร็จการศึกษาแล้วอะตัวนั้นแปลว่าสำเร็จหรือเจริญบริบูรณ์เต็มเตี่ยมแล้วนะ ก็เรียกว่าอาเสขาธรรมมาอาเสกขะคือคือคนที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาสำเร็จศึกษาจนเสร็จสิ้นแล้วเพราะถ้าเรายังระหว่างนี้ก็ยังเรียกว่านักนักศึกษาอยู่